ภาวนาก็ใช้ได้นะภาวนาก็ดีกันขึ้นเรื่อยๆแหละมันไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้หลักนะรูปๆคลำๆทําไม่ถูกสัทีบางคนทําทั้งหลายสิบปีสิบปียี่สิปีสาสิ ป, ส ป, ส ป, สปีอะไรอยาี้ทำไม่ได้จะไปทําผิดนะส่วนใหญ่ก็ไปทําความสงบความนิ่งอยู่เฉยๆ เดินปัญญาไม่เป็นเชื่อเชื่อตามตามกันนะว่าต้องทําสมาธิเราถึงจะเดินปัญญาได้การเดินปัญญานั้นต้องใช้สมาธิแน่นอนเลยแต่มันไม่ใช่สมาธิอะไรก็ได้สมาธิมันมีหลายแบบตัวนี้เป็นเรื่องแตกหักเลยว่าเราจะภาวนาถูกหรือภาวนาผิดถ้าจิตเราไม่สามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะ เราเดินปัญญาไม่ได้จริงเพราะจิตมันจะเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์ไปคลุกอยู่กับความคิดไหลไปในอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเงี้ยธรมารมโดยเฉพาะไหลเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่คิดเมื่อจิตมันถลำมันกระโจนลงไปจมอยู่กับอารมณ์เนี่ยมันจะไม่สามารถเห็นอารมณ์ได้ชัดเจนนะหรือถ้าเห็นชัดเจนอย่างเราไปเพ่งท้องท้องฟองยุบเราเพ่งเห็นท้องชัดเลย แต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ถึงเห็นอารมณ์ชัดก็ไม่เห็นไตรลักษณ์บางคนน่ะจับนิ่งสงบไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่ได้นะเพราะจิตมันเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์ลนะม่นคล้ายๆคนเข้าไปคลุกวงในนะมองอะไรได้ไม่ชัดลนะไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงคล้ายๆคนชกมวยนักมวยนะกับคนดูมวย นักมวยขึ้นเป็นคนชกเนะีย <Okay. S 1> ชกมั่วซั่วเลยเพราะว่ามันเมาหมัดในขณะที่คนดูข้างเวทีนะัมันสอนนักมวยได้หมดเลยว่าให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เวลาเราดูโทรทัศน์ที่เขาชกมวยเคยเห็นไหมคนตะโกนบอกให้นักมวยชกอย่างนั้นอย่างนี้เยอะมากเลยทําไมมันบอกได้เพราะมันเป็นคนวงนอก มันเห็นไอ้คนนั้นทางมวยมันเป็นอย่างนี้คนนี้ทางมวยเป็นอย่างนี้จะแก้กันอย่างนี้มันดูง่ายจะจัดการยังไงในขณะที่นักมวยนะมันตะลุมบอลอยู่มันดูคู่ต่อสู้ยากมันไม่รู้หรอกนะบางทีมันเมาหมัดไปแล้วการที่เราจะภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าเราเมาหมัดซะแล้วนะเราไม่เห็นอะไรที่ถูกต้องหรอกเราก็จะเห็นแต่ว่า ลมหายใจเห็นท้องพองยุบเห็นมือเห็นเท้าอะไรย่างนี้ไปะเห็นท้องอะไรองนี้หรือไปเห็นความว่างความสว่างความนิ่งไปเห็นอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเราสามารถถอยตัวออกมาเป็นคนดูวงนอกได้นะเราจะเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงได้เพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ได้เจ็บตัวแบบนักมวยเราดูมวยสบายงั้เราอย่าไปภาวนาแบบ นักมวยเนาะให้ภานาแบบคนดูมวยดูห่างๆสบายๆ ย, นะยิ่งท้าใจของเราเป็นกลางนะเราจะได้เห็นความจริงชัดเจนยิง่งขึ้นอีกส่วนเราเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติเชียข้างน้นเชียข้างนี้ยิ่งถ้าดูวงนอกด้วยก็ยังดูอย่างเป็นกลางด้วยถึงจะดีถือจะเห็นอะไรตรงไปตรงมา หลักของการปฏิบัติก็เป็นอย่างเดียวกันในการทำวิปัสสนาให้ดูอย่างคนวงนอกนีคือจิตเรานี้ตั้งมั่นอยู่ต่างหากอาการทั้งหลายแสดงไปอารมณ์ทั้งหลายแสดงไปรูปธรรมแสดงไปนามธรรมแสดงไปอย่างร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายแสดงไปใจเราเป็นแค่คนดูความสุขความทุกข์มันแสดงไปใจเราเป็นแค่คนดูนกุศลอกุศลก็แสดงตัวไปเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้น ใจเราเป็นแค่คนดูแล้วเราเห็นวิญญาณคือจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานหมุนเวียนไปใจเราเป็นแค่คนดูแล้วดูอย่างเป็นกลางนะหมายถึงว่ามันไปทำอะไรก็ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้อย่างที่มันเป็นเรียกว่าเป็นกลางเหมือนนักมวยมันจะโชคดีโชคไม่ดีไม่ใช่เรื่องของกรรมการ จะมการแค่ดูเท่านะั้นว่ามันชกได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนไม่ต้องไปเชียะข้างใดข้างหนึ่งแอบไปเล่นข้างใดข้างหนึ่งนั้นเราจะต้องมาภาวนาเนี่ยนะก่อนที่เราจะมาเดินปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาพัฒนาจิตใจของเราเป็นกรรมการห้ามมวยแน่นะกรรมการไม่ใช่นักมวยเป็นแค่คนดูแล้วดูแบบไม่มีอคติถ้าเราทําได้อย่างนี้เราจะเห็นความจริง ความจริงของร่างกายร่างกายแสดงให้เราดูความจริงของจิตใจมันแสดงให้เราดูมันจะมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยมีแต่ของเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมีแต่ของไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งหมดเลยมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละนะความยากมันอยู่ที่ว่าทําไงใจจะเป็นกรรมการห้ามวยที่ยุติธรรมได้ใจจะเป็นกลางดูอย่างคนวงนอกแล้วก็เป็นกลางการจะดูอย่างคนวงนอกได้นะก็ต้องแยกธาตุแยกขันเป็น จะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายทำงานไปจิตเป็นแค่คนดูร่างกายทำงานไปนะ <kys>? จะหายใจออกหรือจะหายใจเข้า <imeters> เรื่องของร่างกายจิตเป็นคนดูร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์ก็เรื่องของร่างกายจิตเป็นคนดูนะจะยืนจะเดินจ ะ, จะนั่งจะนอนนะก็เรื่องกายมันทำงานจิตเป็นคนดูนะค่อยๆดูอีกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายนะั้นเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ำเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อออกมาอะไรอย่างีนะ้มีแต่ธาตุหมุนอยู่ทั้งวันทั้งวันนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะเป็นวัตถุแท้ๆเลยนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ก็ปัญญามันเกิดนะแต่พอเห็นร่างกาย อย่างโน้นอย่างนี้แล้วนะใจไม่เป็นกลางอยากให้เป็นอย่างอื่นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างอื่นนี่มนใจมันพอใจอย่างโน้นไม่พอใจอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางมันชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้มันชอบร่างกายที่สุขสบายไม่ชอบร่างกายที่เจ็บป่วยนี่เรียกว่ามีอคติแล้วไม่เป็นกลางชอบร่างกายมีความสุขชอบร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ชอบร่างกายที่แก่ ชอบให้ร่างกายนี่อยู่นานนานไม่ชอบร่างกายที่มันจะตายอนะไรใจไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางเพราะว่ายัางไม่ฉลาดพอถ้าเราดูกายแบบคนวงนอกมากๆนะถึงวันหนึ่งจิตมันฉลาดพอนะจะเห็นเลยท่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เบื้องต้นก็ยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซล ที่เหลือเนี่ยมายืมธาตุของโลกมาของอาหารของอากาศของน้ำอะไรนี่เอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้จนมันตัวโ ต, ว ต, วตวขึ้นมาจิตก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราก็เลยสําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเราจริงๆที่จริ ง, ร ง, รงแล้วเป็นเปลือกเท่านั้นเองเป็นเปลือกใครรู้จักปูเสฉวนบ้างจักไหมรู้จักไห ม, ไ ห, ม ห, หนูปูเศฉยชวนหน้าตา หน้าตาเป็นหอยแบบต่างๆที่จริงหอยเป็นเปลือกมันมันไปยืมเปลือกหอยมาอยู่เหล่าเนี้ยปูเสฉวนจิตมันมาอาศัยอยู่ในร่างบางคนก็เลือกเปลือกใหญ่หน่อยบางคนก็เปลือกเล็กบางคนก็เปลือกสวยหน่อยบางคนก็เปลือกโทมหน่อยมอมมอมแแมมแแ ม, มแล้วแต่เวรแต่กรรมว่ามันจะเลือกได้ยังไง มันมาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะสุดท้ายก็ต้องทิ้งเปลือกไปอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ตลอดไปไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันนะอาศัยอยู่ในกายนี้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องทิ้งไปนะนี่เพียงแต่ว่าเมื่อยังมีร่างกายอยู่มีจิตใจอยู่นะก็เอาร่างกายเอาจิตใจนี่แหละมาทําคุณงามความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จากตนเองและผู้อื่นนะอย่เอาร่างกายเอาจิตใจที่อุตสาห์ได้มา เอาไปทำความชั่วเบียนเบียนตนเองเบียนเบียนผู้อื่นคนที่เบียดเบียนคนอื่นนะคือคนเบียดเบียนตัวเองแน่นอนเลยถ้าสติปัญญาเรามากพอนะหรือเราภาวนาเราได้ญาณทัศนะบางอย่างเราเห็นในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวียนขึ้นเวียนลงในวัฏฏะเนี่ยน่าสงสารมากเลยมันเป็นคนตาบอดงมงายเดี๋ยวบางชาติก็ดีแล้วบางชาติก็ตกต่ำ บางชาติเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีนะชาติหนึ่งเป็นสันนรกไปเลยก็ยังมีนะมันขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่อะไรไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยอยรู้เลยว่าโอ้หน้ากลัวจริงๆงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะหรือถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวเองเราได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนะว่าวัฏตะนี่น่ากลัวนะเวียนขึ้นเวียนลงเราก็มาอาศัยร่างกายจิตใจที่เรามีนี่แหละ มาพัฒนาคุณภาพของจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีทางพ้นได้นะแต่ทุกวันนี้สอนลำบากเพราะว่าคนจานวนหนึ่งก็คิดว่าขนาดนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วจะสูญไปเลยอีกพวกนี้คิดอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็คิดว่าขนาเนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆตายแล้วเราก็ยังอยู่อย่างนี้แหละนะแต่ว่าจิตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่ เวลาตายจิตไม่ได้ออกจากร่างไปเกิดใหม่นะจิตดวงสุดท้ายที่อยู่ในชีวิตนี้ก็ดับลงไปแต่ว่ามันเหนี่ยวนำนะมีกระแสเหนี่ยวนําคือกระแสของกรรมเนี่ยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นในภพใหมนะ่ในชีวิตใหม่พอตรงนี้จะตายนะจิตมันจะหมุนจีเลยนะยมันทุกข์มากเลยนะที่ว่าตายเป็นทุกข์ตายเป็นทุ้มตายมันทุกข์ ย, กยังไงเนาะ ขณะจุติจิตเกิดนี่นะมันทรมานมากเลยนะมันหมุนติ้วเลยนะเสร็จแล้วมันดับวับลงไปนะปฏิสนธิจิตหมุนรับขึ้นมาในอีกภพหนึ่งลนะแล้วหมุนได้ชั่วแว บ, บเดียวนะไม่จะลงผวังไปพักนะไปพักพักฟื้นพอพักพอมีเรี่ยวมีแรงมันเวียนหัวมันอนะมันหมุนจีๆขึ้นมาเขาถึงเรียกจุติจิตนะจุติเพาเคลื่อนนะเคลื่อนจริงๆไม่ได้เคลื่อนไปไหนเราเคลื่อนอยู่ที่ของมันนะหมุนติ้วติว ต, ตอยู่อย่นเอง อีกดวงหนึ่งปฏิสนธิจิตในพบใหม่ก็หมุนขึ้นมารับนะเสร็จแล้วมันก็ลงผวังเลยขึ้นมาแวบเดียวก็ลงภวังไปเลยนะแล้วพอขึ้นจากภาวังเนี้ยก็จะรู้สึกตัวขึ้นในชีวิตใหม่ละนะบางพบบางภูมิที่ไปเกิดนะก็จะระลึกได้ถึงชาติก่อนไดนะ้อย่างแต่ถ้าไปเกิดเป็นคนเนี้ยระลึกยากเพราะว่าช่วงที่ไปอยู่ในท้องเนี้ยนานนะช่วงนี้นาน แล้วก็ไม่มีความสุขหรอกอยู่ในท้องนะใจมีความหวาดกลัวด้วยซ้าไปนะม่รู้สึกอะไรก็ไม่รูนะ้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะอยู่ในที่คับแคบนะมืดก็มืดนะแล้วกลัวอหลุดออกมาได้นะก็ดีใจนะดีใจร้องจากจากักออกมาทีแรกมันตกใจนะตกใจเสร็จแล้วพอ เข อ, อาบน้ําถาแป้งเอาผ้าห่อนะมันจะเริ่มรู้สึกนะกูแน่กูแน่แนมาละนันจะเริ่มรู้สึกอย่างนั้นนะตัวเล็กนิดเดียวพูดไม่เป็นเลยพอรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานะกูเก่งแนะ้วร้ายจริงเลยก็เวียนอยู่อย่างนี้ยนะเวียนไปงั้นไหนๆก็ได้ชีวิตมานะเอามาทําความดีไหม มาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยศีลด้วยการฝึกจิตด้วยการเจริญปัญญาหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าพัฒนาด้วยศีลสมาธิปัญญาใแต่พัฒนาด้วยการมีศีลด้วยการฝึกจิตด้วยจิตศิกขาสมาธิมันเป็นคำที่กว้างเกินไปถ้าทำสมาธิสมาธิมิจฉาสมาธิมันก็มีทำไปเราไม่ได้อะไรได้มานาอัตตามากขึ้นก็มี พวกที่เข้าสมาธิเก่งๆเซลล์จัดเยอะเลยนะกูแน่กูหนึ่งกูเหนือคนอื่นคนอื่นนั่งสมาธิสู้กูไม่ได้กูนั่งโต้รุ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่งสมาธิแบบมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเรามาเรียนเรื่องการฝึ ก, กจนะิตเราจะได้สมาธิทั้งสองอย่างเลยต้องการทําความสงบก็ใช้สมาธิอย่างนี้ต้องการเจริญปัญญาสมาธิมันจะพลิกไปอีกแบบ การความสงบนีจิตจะเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์อยู่นิ่งๆเชื่นจับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจจะลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างก็จับอยู่กับแสงสว่างนะหรืออยู่กับเมตตาเจริญเมตตานะการเจริญเมตตาก็จิตก็เข้าฌาญได้แต่ไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีดวงอะไรนะถ้าต้องการพักก็ไปอยู่อย่างนีนะ้ถ้าต้องการเจริญปัญญาก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นคนดู ให้เป็นกรรมการห้ามวยที่ดนะีกรรมการไม่ใช่นักมวยเราฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนเหมือนร่างกายไม่ใช่จิตนะร่างกายนี่เหมือนนักมวยนะจิตของเราที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยเหมือนกรรมการความสุขความทุกข์ก็เป็นนักมวยเหมือนกันกนะุศลอนกะุศลก็เป็นนักมวยเหมือนกันมันก็มีชกกันเป็งคู่ๆนะอย่างร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าก็ ข, าขัดแย้งกัน นะสลับกันช่วงชิงกันอยู่ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปนี่ก็ต่อสู้กันระหว่างความสุขกับความสุขที่ดับไปความไม่สุขนะเฉยๆหรือความโกรธนะมันก็พยายามต่อสู้นะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต่อสู้เพื่อจะทรงอยูนะ่แต่ถ้าสติปัญญาเป็นคู่ต่อสู้ขึ้นมานะความโกรธก็แพ้ก็ดับบางที สติปัญญาสู้กำลังของความโกรธไม่ได้ความโกรธก็ชนะสติปัญญาดับไปเนะี่ยจิตเราเป็นแค่คนดูให้ได้นะการฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะถ้าเราคิดจะเอามรรคผลในชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ไปใส่บาตรแค่ไปฝังลูกนิมิตยกชอบฟ้าแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้นิพพานในชาตินี้ไม่ได้หรอก ถ้าอยากจะได้นิพพานในชาตินี้นะต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้สัก่อนเราะนั้นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ทํากรรมฐานอย่างนั้นแหละถนัดพุดโทโธก็ทําพุโทโธไปแต่ว่าไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบพุโทโธแล้วรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุโทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่ห้ามตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ย เป็นการสุขาลิกานุโยคสุดโต่งไปข้างตามกิเลสนะตรงที่รู้ว่ามันหนีไปคิดตรงนี้เป็นทางสายกลางตรงที่กลัวมันจะหนีไปแล้วไปบังคับไว้ไปดึงเอาไว้อันนี้เป็นอาตาัตตะกิริมัฏฐานุโยกสุดโตไปเข้างบังคับตัวเองงั้นเอาทางสายกลางก็แค่รู้ว่ามันหนีไม่ใช่ว่าห้ามหนีห้ามหนีนี่ตึงไปหนีไปแล้วไม่รู้เนี่ยหย่อนไปนะเอาแค่ว่ามันหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้ฝึกแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทําอะไรมาก ไม่เครียดนะหรือจะใช้ลมหายใจก็ได้หายใจไปจิตนี้ไปแล้วรู้หายใจไปจิตนี้ไปแล้วรู้นะอาจจะตั้งลมหายใจตั้งความรู้สึกไว้ที่ตรงเนี้ยจะงอยปากตรงเนี้ยนะตรงจมูกเนี้ยลมมันกระทบอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าจิตมันไหลไปที่อื่นเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันเรารู้ลมกระทบอยู่นะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าจิตเราไปจ้องเนกระทั่งลืมโลกเราก็กลายเป็นสมถะ แต่ถ้าเราหายใจรู้การกระทบและจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อแต่เด็กนะ7จดขวบเนี่ยทำอนาปนสาาติหายใจเคื่อนจะทั่งลมเนี่ยมันตื้นต้ น, ต, นตื้นขึ้นมามาอยู่ตรงนี้กลายเป็นแสงนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วเป็นแสงแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อน งั้นมาอยู่ตรงนี้แหละพอจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันก็ได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเจริญปัญญาต่อเคล็ดมันอยู่ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตะงั้นเบื้องต้นนะพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ถนัดอะไรก็เอาวันนั้นแหละจะดูท้องพองยุบก็ได้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันรู้ลมหายใจนะเกิดชอบรู้ยาวๆหายใจยาวๆนี่ก็รูนะ้ถ้าจิตเห็นลมหายใจมันเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมที่วิ่งขึ้นวิ่งลงจิตไปเกาะอยู่ที่ลมให้รู้ทัน ตรงที่รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเรื่งนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเราเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ไมรรคผลไม่มีหรอกเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสักก่อนถึงจะมาเดินปัญญานะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนถึงสอนมาตามลําดับนะบทที่1ชื่อศีลสิกขานะเรียนวิธีรักษาศีลบทที่สอนเรียนเรื่องจิตแลิกีขา เรียนวิธีเรียนรู้จิตนะจนเกิดสมาธิที่ถูกต้องบทเรียนที่สมถึงจะชื่อปัญญาสิกขาหลายคนมักง่ายนะเอาก็รับศีลเสร็จแล้วก็จเจริญปัญญาเลยนะีอย่างนั้นทําไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยไม่รู้เลยว่านั่งสมาธิชนิดที่ถูกหรือชนิดที่ผิดถ้าเรารู้เท่าทันจิตของเรานะอย่างถ้าจิตเราเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นสมาธิชนิดใช้ทําสมถะถ้าจิตถอยออกมาเป็นคนดู มันถอยได้เองนะอย่าไปจงใจถอยถ้าจงใจถอยมันจะแน่นถ้ามันถอยเองนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่เทือดตรงที่มันถอยได้เองเนะี่ยมันถอยขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าจิตมันไหลไปถ้ารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญมากเลยนะยั้นจําหลักอันนี้ให้แม่นนะ เราต้องมาฝึกนะฝึกเจนกระทังจิตของเราเป็นคนดูจิตรเราเป็นคนดูแล้วถัดจากนั้นเนี่ยก็มาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานในขั้นต้นเลยต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์บางคนนะเคยสร้างบุญบรารมีในทางเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆชาติก่อนมีจริงๆนะใครว่าไม่มีก็ช่างมันมันโง่มันไม่เห็นเองนะชาติหน้าก็มีใครว่าไม่มีก็ช่างมันมันโง่มันไม่เห็นหรอกนะ มันภาวนาไม่เป็นมันไม่เห็นงันเราต้องมานะฝึกแยกธาตุแยกขันให้ได้พอจิตของเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ยคนไหนมีบุญมาแต่ชาติก่อนเคยเจริญปัญญามาแล้วเนี่ยขันจะแยกทันทีเลยแยกเองเลยแต่ถ้าคนไหนปัญญินรีเรียกปัญญินสีอินรีคือปัญญาเนี่ยยังไม่แก่กล้ามันไม่แยก พอรู้ตัวแล้วมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาเลยนี่บางคนนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะี่คิดว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยพอแล้วรักษาจิตให้มันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ยพอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งันรู้มรรคผลเองไม่บรรลุหรอกนะยังไม่ได้เดินปัญญาอะไรเลยจิตที่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆคือจิตที่มีสมัครทิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองยังไม่ได้เดินปัญญาถ้าจะเจริญปัญญานะมันต้องเห็นร่างกายทํางานจิตมันเป็นคนดู ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาความสุขความทุกข์หายไปจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูเนี่ยหรือเห็นจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วดับทางหูเกิดแล้วดับทางใจเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยจิตเป็นคนดูมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูดันเห็นวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาใจ ก, ใก็คือจิตนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าวิญญาณนะเพื่อให้มันแตกต่างกันออกไปเังนนต้องมาฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้นะ ต้อซ้อมทุกวันยิ่งซ้อมได้มากยิ่งดีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะมีลักษณะที่เบาถ้ารู้สึกหนักนะของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะมีลักษณะนุ่มนวลถ้าแข็งกระด้างเนี่ยของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะจะคล่องแคล่วว่องไวเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่อยู่ซึมกระทือซื่อบื้ออยู่เฉยๆก็ต้องปราดเปรี่ยวว่องไวคล่องแคล่วว่องไว อารมณ์อะไรมากระทบทางทวารทั้งหลายนะสติออกรับรู้หมดเลยแต่จิตเป็นคนดูอยู่ได้อย่างปราดเปรียวนะไม่ใช่ทือ่อซื่อบื้ออะไรมากระทบก็ไม่รู้อะไรมากระทบก็ไม่รู้บอกรู้ตัวอยู่นั้นไม่ใช่นะมันต้องเบาต้องนุ่มนวลต้องปราดเปรียวนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์ในขณะนั้นไม่มีราคะไม่ได้อยากรู้มันรู้เองไม่ได้อยากตั้งมั่นมันตั้งมั่นเองนะไม่ได้มีโทสะ อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นไม่ได้ไม่ได้เกลียดมันเฝ้นะาดูเฝ้าดูไปด้วยความรู้สึกตัวไม่มีโมหะไม่หลงรู้สึกอยูนะ่ต้องฝึกจิตชนิดนี้ให้ได้นะวิธีฝึกก็คือทุกวันนะแบ่งเวลา10นาที15นาทีก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งถัดจากนั้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนสองแบบเท่านั้นไม่ว่าใครจะปฏิบัติมาวิธีใดนจิตที่เคลื่อนเคลื่อน2อย่างเท่านั้น 1. เคลื่อนไปคิดนะข้อ2เคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งเวลาเราทํากรรมฐานอยู่เนี่ยความจริงตรงที่เคลื่อนออกไปรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยเคลื่อนไปดูก็ได้นะเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเคลื่อนไปคิดทางใจเพราะฉะนั้นาตัวอื่นอีก5้าตัวเราโยนทิ้งไปก่อนไม่ต้องไปเรียนมันทีละห้าตัวเอาตัวเดียวที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตที่เคลื่อนไปคิดกับอีกอย่างหนึ่งจิตที่เคลื่อนไปเพ่งจิตที่เคลื่อนไปเพ่งนี่ก็เคลื่อนเหมือนกันนะแต่เป็นนิ่งอยู่ที่ท้องที่ลมหายใจที่มือที่เท้าอะไรเงี้ยหรือที่ความว่างอันนี้เป็นจิตที่เคลื่อนไปหมดเลยจิตที่เคลื่อนเนี่ยหลวงปู่ดุลได้ว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดเลยใช่ไม่ได้เป็นสมูทัยทั้งหมดเลย จิตส่งออกนอกถ้าไปจับอารมณ์นะสเปสสะปะไปนะก็ไปเป็นอารมณ์ที่ดีก็ไปพบภูมิที่ดีอารมณ์ที่เลวก็พบภูมิที่เลวส่วนจิตที่เพ่งนั้นจะไปอีกพบภูมินึงคือไปพรมโลกไม่ไปนิพพานนั้นถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่ยังเกิดเมื่อนั้นถ้าเป็นจิตแท้ทำแท้นะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตไม่มีการไปไม่มีการมานะจะเป็นจิตเป็นอีกแบบหนึ่งเลย อของพวกเราไม่มีอ่ะของเรามีแต่จิตดวงกระจิ๋วๆนะดวงกระติดด๊ดเดียวแต่ว่าฤทธิเดชเยนะอะดวงนิดเดียวะภูมิจิตภูมิธรรมมีนะ้อยนิดเดียวน่ะหาดภาวนานะเริ่มใหม่ๆยังกับแสงดาวนิดเดียวแต่ก็โอ้ยกูเก่งกูเก่งนะใครฝึกนะแต่ถ้าเป็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยยังมีจุดมีดวงนะ เป็นแสงพระอาทิตถ้าเทียบไปนะกภูมิธรทมก็ระดับผ้านาคานะยังมีจุดอยู่ให้กันบ้านหลวงพ่อไม่อยู่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนี่นะ้ำไปฝึกจิตเครื่อนเรารู้จิตเครื่อนเรารู้ฝึกให้ชนานาญเลยนะถ้าชนานาญแล้วนะก็หัดแยกขันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเองนะไม่ใช่ไปจงใจดึงจิตขึ้นมาแล้วดนันร่างกายออกไป หรือถ้าแยกกายกับจิตไม่ออกก็แยกความรู้สึกกับจิตออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคุรลอันกันค่อยๆหัดดูถ้าดูไม่เห็นเบื้องต้นช่วยมันคิดนําก่อนก็ได้ก็ได้นะบางคนไม่ต้องบางคนจิตตั้งมั่นปุ๊บแยกเลยถ้ามันไม่แยกช่วยมันคิดกันวิธีนั่งสมาธิไปไปพักส่วนหมดแล้วก็นั่งสมาธิไปมีใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆดูไปร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไป เมืนั่งนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาอย่าเพิ่งขยับค่อยๆดูลงไปอีกร่างกายมันตั้งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาอยู่ในขาในหลังในคออะไรเนี่ยมันมาทีหลังมันคนละอันกันจิตเที่ยวเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะนี่เราแยกเวทนาออกไปนะพอเวทนาเกิดมากๆจิตชักกระสับะส่ายแล้วชักเป็นห่วงร่างกายแล้วนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอมภภาพาไหมเนี่ยนะความกังวลใจที่เกิดขึ้นนีมันเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกสังขารขัน มันไม่ใช่ความปวดที่กายความปวดอยู่ที่กายความกังวลใจมันอยู่ที่จิตนะเราก็ดูไปว่าความ Alicia, กังวลกับร่างกายก็โครลานความกังวลกับความปวดก็ครลานความกังวลก็เป็น <uch> สิ่งที่จิตไปรู้อีกก็โคลานกับจิตอีกเนี่ค่อยๆฝึกอย่างเนี้นะถ้าถ้ามันไม่แยกอัตโนมัตินะก็ฝึกไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็แยกนะถ้าแยกได้แล้วต่อไปเราเดินปัญญาตัวจริงได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายซึ่งจิตไปรู้เข้านี่ไม่ใช่เราเลยนะ มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์หรือกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราเลยนะเป็นของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราบังคับมันก็ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยตัวจิตเองเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเลย แนบใหนี้เรียกว่าเดินปัญญานะดูของจริงไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาแปลว่าเห็นเอาจ์นะราต้องไปดูเอาถึงจะเห็นเอาจ์นั้นเลยวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดได้คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานเอาไปกินข้าวไประหว่างกินข้าวก็จเจริญสติจเจริญปัญญานะน่หมดเลยครับ